มีวันนี้พวกเราทุกคนทั้งพระภิกษุแล้วก็ญาติโยมก็ได้มาประชุมกันซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็าเป็นวันอาสาฬหบูชาซึ่งในครั้ง สมัยพระพุทธกาลนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเรานั้นได้กัสรู้ทรมพือทำดวงใจให้บริสุทธิ์แล้วพระพุทธองค์ท่านทรงมีเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายและเล็กถึงว่าทั้งหลายนั้นผู้มีกเกเรตเบาบางก็ยังมีอยู่สามารถที่จะ ควรแกการปฏริบัติควรแกการรู้ทำเห็นทำได้พระพุทรงท่านก็ได้เสด็จมาโปรดปัญจพักกีทั้งห้าที่ป่าอิสิปัตนะมาเลคตาวันพระธรรมที่พระพุโทโ์นั้นทรงสแสดงพระธรรมจัก สิ่งเป็นไปเพื่อกัดกิเลสให้สิ้นไปจากใจในการประพฤติบัติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระพุทโธท่านทรงเห็นว่าระหว่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังเป็นพระวาสอยู่นั้นอยู่ยในเพศของกรทสันท่านมีราภสักระ มียศมีสรรเสริญมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างในทางโลกซึ่นเหนือว่าคนทั้งหลายเป็นจำนวนมากเพราะท่านอยู่ในเพศของกษัตริย์แต่งสมเด็จพระสมาสมพุทเจ้านั้นท่านทรงมีพระปัญญาเกินกว่าัตว์ทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นว่าความสุขทั้งหลายที่พระ อ, องค์ได้รับนั้น ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ไปในจิตใจของพงค์ได้เป็นความสุขเพียงเล็กๆน้อยนเท่านั้นเป็นความสุขเพียงเพื่อบรรเทาความทุกข์ไปในจิตใจของพระองค์เพียงชั่วคราวเท่านั้นไม่ว่าใจความสุขอันเกิดจากลาภทศรสนเสริญเป็นความสุขอันเกิดจากรูปเสียงทกิริสัมผัตพุทธองค์มีปัญญาเห็นว่า ความสุขทั้งรลายเหล่านั้นไม่ใช่เป็นความสุขที่แก้จริงท่านจึงสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อแสวงหาความบรรลุเมื่อออกแสแวงหาผลทางความบรรลุนในทางการปฏิบัติเบื้องตน้นท่านก็คิดว่าการถอดมาร่างกายคงเป็นสาเหตุที่จะให้คมมนทุกได้ ท่าก็จำเป็น เ, นเนพนี่ยนภาวนาทรมานร่างกายอดอาหารบ้างทรมานร่างกายหลายๆสิ่งหลายประการยิ่งว่ายิ่งบาคนทั้งหลายในสมัยนั้นที่จะตรมานร่างกายพระพุทโธทรมานร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็ไม่สามารถที่จะรู้ทําเห็นทําได้จนกระทั่งท่านมาพิจารณาถึงว่า ความสุขทั้งหลายในโลกนี้ก็ไม่ใช่เป็นหนทางดําเนินไปเพื่อความพ้นทุกข์หรือการภาวนาร่างกายนั้นก็ตามก็ไม่ใช่เป็นหนทางดําเนินไปเพื่อความพ้นทุกข์ต้องทําความเห็นได้ถูกต้องไปในจิตใจดําเนินปฏิปทาซึ่งเป็นทางสายกลางคือไม่ยิ่งเกินไปไม่หย่อนเกินไปประพฤติบัติให้พอดี พิจารณาร่างกายนี่แหละให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตัวตนพิจารณาอารมณ์ไปในใจิตใจซึ่งมีกิเลสอยู่ภายในจิตใจ็เต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงมีสติมีปัญญาพิจารณาอารมณ์ต่างๆซึ่งเกิดขึ้นไปในใจิตใจในเบื้องต้นนั้นก็เคยมีความคุ้นเคยว่าร่างกายนี้เป็นจิตนี้จิตนี้เป็นร่างกายนี้ แต่เมื่อพระสงฆนั้นทรงบรรพเป็นเจนภาวนาก็ได้พิจารณาเห็นความจริงว่าร่างกายของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนี้ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันเส้นมาเพียงชั่วข่าวเท่านั้นเมื่อถึงการถึงเวลาก็แตกสลายไปหรืออารมณ์ไปในจิตใจก็เหมือนกันเส้นจิตใจของสัตว์ทั้งหลายมีความยึดมั่นปืมมั่น ในความพอใจในความไม่พอใจในความสุขในความทุกข์อารมณความโลภแห่งความโกรธว่เป็นจิตใจของตัวเองจึงขอให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นขอให้เกิดความทุกข์ในจิตใจอยู่เสมอเมื่อมีสติพิจารณาเห็นว่าความทุกข์นั้นมีอยู่กัก็หาเหตุเป็นเหตุที่ขอให้เกิดความทุกข์ ให้หาหนทางที่จะดับความทุกข์ไปในจิตใจของโป่งด้วยการจเจริญสีนสมาธิปัญญาคือเล้าเบ้นจากการกระทบบาปทั้งหลายทั้งปวงให้จิตใจตั้งอยู่ในสีนเป็นปกติจำสมาธิภาวนาเพื่อให้จิตใจนั้นมีสมาธิเกิดขึ้นมีส ต, ติตั้งมั่นเป็นเหตุที่ขอให้เกิดสติปัญญาในการพิจารณาเห็นความจริง ของร่างกายของตัวเองว่าร่างกายของเรานี้เกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีความแปรเปลี่ยนไปไม่สามารถที่รงพ้นความแก่ไม่สามารถที่รงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถที่รง พ, พ้นความตายไปได้เรือลงไปในจิตใจก็เหมือนกันจะเป็นอารมณ์เป็นความโลภความโกรธความหลงความพอใจความไม่พอใจก็เป็นแต่เพียงอาการของจิต ท่านก็มีสติที่จะเห็นหนาการกิหล่านั้นเป็นสภาวะตามเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อเห็นเช่นนั้นก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไปจักใจได้พราะนั้นสิ่งที่สำคัญคือการประพฤธิบัติอันเป็นเหตุที่จะให้เกิดหนทางที่จะดับความทุกข์คือบาเพ็ญในในสินในในสมาธิในในปัญญา นี่เมื่อปัญญาควีนั้นได้ฟังธรรมแล้วก็ได้พิจารณาตามตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่าตรัสให้เห็นว่าไม่ให้จิตใจติดอยู่ในความสุขทั้งหลายในโลกนี้หรือไม่ให้จิตใจนั้นติดอยู่ในการทรมารณตอนนั้นลาบากไม่สามารถที่ทางจิตที่พ้นทุกข์ได้ดาเนินปฏิปตามัธิมาปฏิปทาอันเป็นดังสายกลาง ดำเนินอยู่ในสีลธมาที่ปัญญาเพื่อที่จะให้มีสติปัญญาเห็นความจริงว่าร่างกายของเราหรือร่างกายของสัตว์ทั้งหลายในวัตถุธาทั้งหลายก็าตามล้วนมีความแตกขึ้นมีความตั้งอยู่มีความแปรเปลี่ยนไปมีความแตกสลายไปในที่สุดถ้าบุคคลใดมีสติมีปัญญาเข้าไปรู้ความจริงเข้าไปเห็นความจริงขึ้นไปในจิตใจตัวเองแล้ว ก็สามารถที่จะทําให้จิตนั้นปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออกไปได้ดังเช่นท่านญากุลทะยะซึ่งท่านเห็นธรรมในเบื้องต้ น, ตนซึ่งโดยปกติแล้วคนทุกคนโดยทั่วไปนั้นก็มีความรู้อยู่ว่าเราทุกคนเกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีความตายในที่สุดแต่ความรู้นั้นยังไม่เป็นความเห็นซึ่งเกิดขึ้นภายในใจสติปัญญาหรือจิตยังไม่เห็นชัดขึ้นภายในจิตใจ ผมตัวเองจึงไม่สามารถที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมันม่นในกายตนได้หรือปล่อยวางความยึดมั่นถือมันมออม่นในกัตถุธาทั้งหลายได้หรือปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายภายในจิตใ จ, จตัวเองได้แต่พระอัญญาโกฏัญญะซึ่งเมื่อท่านฟังธรรมนั้นท่านมีสติมีปัญญาพิจารณาตามธรรมอนั้นท่านจึงมีดวงตาเห็นธรรมซึ่งท่านเห็นว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นด้อมดับไปเป็นธรรมดาที่เห็นด้วยจิตของพระ อ, องค์จึงสามารถที่จะปล่อยวางอุปทานความคิดมั่นเติมมั่นในสรรพสิ่งทั้งหลายเห็นวัตถุสิ่งของว่าเป็นของไม่เที่ยมมีความเกิดขึ้นแล้วแตกสลายลงไปมีความเห็นว่าร่างกายตนนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ไม่ตัวไม่ใช่ตนจิตเนี้อใส่อยู่เตียงชั่วคราว ร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้นะพระ ญ, ญาณโกรธญาณเป็นเห็นธรรมในเบื้องต้นนี้ก็สามารถพิจรารณาเรละความโลภให้มันเทาบางไปละความโกรธความมาคาตไปบาศให้หมดไปจากใจนี่แต่ความไม่พอใจส่วนละเอียดซึ่งยังมีอยู่ในเบื้องต้นท่านเรียกว่าเป็นพระญาบุคคลเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาเป็นประสงค์องค์แรกในพระพุทธศาสนา คือพันยานโขดทะยะเนี่ยในครั้งนั้นก็มียงสมเด็จตัสสมาสัมพุทธเจ้าตัทลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมามีพระธรรมคำ ส, สอนของพระพุโทโธแล้วแต่ยังไม่รู้จะสั่งสอนผู้ใดก็มาสั่งสอนบรรจกีย์ทั้งห้าเนี่ยในเบื้องต้นพันยานโขดทะยาเนี้ยตัทลุธรรมเห็นธรรมก่อนและในภายหลังบรรจากย์ทั้งห้าก็ได้สําเร็จพระอหัตผล หรือทำดวงใจให้ปัสจาความโลภความโกรธความหลงทําจิตให้ใบสุดเกิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นความจริงนั้นการรู้รู้ธรรม ห, หรือทําให้จิตใจเห็นธรรมในเบื้องต้นนะหรือทําให้ใจเป็นธรรมนะก็คือว่ามีสติมีปัญญาเห็นว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วย่อมมีความแตกสายไปในที่สุดเห็นชัดประจักขึ้นที่ใจจึงจะสามารถที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ ปวางความยึดมั่นถือมั่นในกายผู้คนเดินได้ป่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายได้ในเบื้องต้นกลดด็ละที่ส่วนหนึ่งความโลภความเท่าเบาบางลงไปมีความพอใจในสิ่งที่เตนมีอยู่ความมาค่าใจบาศก็ดับไปถึงแม้ยังมีความโกรธอยู่มีความไม่พอใจอยู่ก็เป็นส่วนละเอียดจิตนี้เห็นว่าร่างกายนี้นี่คือจิตนี้โดยชัดในเบื้องต้นก็สามารถละความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ได้ส่วนหนึ่ง โดยปกติแล้วจิตของคนเรานั้นยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี่ร้อยเปอนก็แบ่งออกเป็นสามส่วนพระโสดาบันนี้ละความยึดมั่นถือมันม่นในกายตนได้ส่วนหนึ่งแล้อีกสองส่วนนั้นที่ยังละไม่ได้ก็ต้องดําเนินในศีลในสมาธิปัญญาถ้าเป็นฆราวาสก็ทรงในศีลห้าหรือศีลแปดเป็นพระภิกษุก็ศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดเป็นพื้นฐานของจิต แล้วก็จเจริญสมาธิภาวนาทําจิตให้สงบให้ละเอียดขึ้นไปเมื่อจิตสงบมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันการทรก็ใช้สติปัญญานั้นพิจารณาอารมณ์ไปในใจของเราละวางอารมณ์ทุกๆขณะจิตซึ่งมีความทุกข์ซึ่งมีกิเลสเกิดขึ้นไปใน ใ, นใจมีสติที่จะเห็นอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงทิ่เราสัมผัสทั้งหลายก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของรูปจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตข้าน เลยสิ่งที่ไม่มีชีวิตกระทำเมื่อจิตมีความพอใจในรูป ก, ก็ต้องพิจารณาเห็นความไม่เทีย่ยมจิตจะได้ปล่อยวางความจึดมั่นถือมั่นในรูปเสียงก็เหมือนกันเมื่อหูได้ยินเสียงเสร็ความก็เสร็จสิ้นไปในจิตก็มีสติมีปัญญาพิจารณาไม่ให้จิตมีความพอใจมีความไม่พอใจในเสียงนั้นทําจิตให้เป็นอุเปกขาจมูกดมกลิ่นหรือลิ้นสัมผัสรสก็เหมือนกันตาตสัมผัสเดนล่อนอนแข็ง ก่อให้เกิดความสุขความทุกข์เกิดที่ดิจัยก็มีสติมีปัญญารู้เท่าทันว่าอาการเหล่า น, นั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีสติมีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงสติที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันธรรมก็จะเห็นหนาฏานองจิตอยู่เสมอด้วยการทำสมาธิพอนายต่อเนื่องเมื่อทำสมาธิพอนายต่อเนื่องพลังของสติก็เกิดขึ้นสติก็ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบัธรรมเมื่อตาเห็นรูป โได้ยินเสียงจะหมุกดมกลิ่นดิ้นสมัมผัสรถตายสัมผัสก็นร้อนนอนแข็งความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นในใจสติจะเห็นความรู้สึกความพอใจความไม่พอใจหรือความสุ ข, ค ว, สขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจสติปัญญาก็จะพิจารณาปล่อยวางให้จิตเป็นกลางอยู่เสมอเมื่อจิตเป็นกลางอยู่เสมอเมื่อจิดว่างจากอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวง ก, ก็ย้อนกลับมายกร่างกายนี้ขึ้นมาพิจารณาให้เลียดขึ้นไปจะพิจารณาแตยคาตาสติ หือสภากรรมฐานหรือาธากรรมฐานก็ใช้สติปัญญาพิจารณาไข้ควรสอนจิตให้จิตเห็นความจริงของร่างกายนี้ว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตัวตนหรือร่างกายบุคคลเด่นก็เหมือนกันประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประจุมกันขึ้นมาเป็นชั่วข่าวเท่านั้นนี่ต้องใช้สติสมาธิและปัญญาเข้าพิจารณาพิจารณาซ้ำซำซำาำๆพิจารณาอยู่เสมอเพื่อที่จะสอนใจ ให้เห็นความจริงแล้วปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้เป็นลำดับไปเมื่อจิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายส่วนที่สองเพราะจิตเข้าไปเห็นความจริงเข้าไปรู้ความจริงและเห็นความจริงจิตก็เป็นธรรมขึ้นมาเมื่อจิตเป็นธรรมขึ้นมาอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในส่วนที่สองก็ถูกละออกไปความโลภ ก, ก็บรเทาวางลงไปความโกรธหรือความไม่พอใจก็บรเทาวางไป ความดิสแมนเตอร์มันในกายตนก็น้อยลงไปอีกเมื่อโรคภัยเขาเจ็บมาเปลี่ยนเปียนจิตใจก็ไม่หวั่นไหวแต่งแต่เบื้องต้นและตั้งแต่รู้เห็นธรรมในเบื้องต้นเมื่อร่างกายมีโรคภัยแค่เจ็บดิเปลี่ยนจิตใจก็ไม่หวั่นไหวเมื่อบารณะภัยเปลี่ยนเปียนจิตใจก็ไม่หวั่นไหวเนี่ยเมื่อรักอุปทานความดิสมนเตอร์มันในร่างกายส่วนที่สองได้เนี่ยจิตใจก็ยิ่งสบายขึ้นมีแต่อารมณ์ส่วนละเอียดขึ้นความพอใจความไม่พอใจส่วนละเอียด อารมณ์ภายนอกลูกเสียงกีรติสัมผัสก็วางลงไปบางทีก็หมดหน้าที่แห่งการพิจารณาเพราะจิตพิจารณาอยู่ภายในใจอยู่เสมออารมณ์ต่างๆภายนอกก็เห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ได้ยินถึงแม้ว่ากิเลสท่านจะไม่หมดไปจากใจก็ตามก็มีสติที่จะพิจารณารู้เท่าทันอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงทั้งเกิดขึ้นเนี่ยก็ดําเนินในศีลในสมาธิปัญญาอยู่นี่แหละพิจารณาอยู่ที่เดิม คือยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาร่างกายส่วนละเอียดแต่พิจารณาเป็นธาตุกรรมฐานเข้าไปสู่ความว่างก็ตามยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและไฟสติปัญญาเข้าไปพิจารณาเข้าไปสู่ความว่างเห็นว่าร่างกายนี้ไม่มีอะไรเป็นแต่เพียงความว่างเกิดขึ้นมาแล้วย่อมแตกสลายในที่สุดพิจารณาจิตเห็นชัดขึ้นมาเห็นขึ้นภายในใจเห็นชัดขึ้นมา เห็นชัดทั้งกายอดีตกายในอนาคตและกายในปัจจุบันมีความรู้เกิดขึ้น ม, มาว่าร่างกายนี้เป็นแต่เพียงธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นเป็นแต่เพียงธาตุดินธาต้นลมธาติไฟประชุมกันขึ้นมบมางเพียงชั่วข่าวเท่านั้นแม้นร่างกายในปัจจุบันก็ตามมีสติมีปัญญาเห็นว่าร่างกายนี้ประกอบไปด้วยสิ่งที่เป็นปฏิคูณเมื่อจิตเห็นชักขึ้นมาประจักขึ้นไปนในจิตใจ จึงจะสามารถที่จะปล่อยวางอบตานความดิ้นต้านถอมั่นในตัวตนส่วนละเอียดได้ความโลภ ก, ก็ดับลงไปความโกรธก็ดับลงไปความหลงในกายตนก็ดับลงไปสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตก็ตามหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ตามล้วนมีความแตกเส้นมีความตั้งอยู่มีความแตกสายไปในที่สุดจิตซึ่งเข้าไปเห็นสภาวะธรรมเช่นนั้นจะปล่อยวาง ความยึดมั่นถึงมั่นในกายตนแต่ร่างกายบุคคลเองในวัตถุธาตุทั้งหลายโดยซิ้นเชิงเมื่อจิตจะไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายไม่มีความพอใจหรือความไม่พอใจในวัตถุธาตุทั้งหลายความโลภก็ดับลงไปความโกรธก็ดับลงไปความหลงในกายตนนี้ก็ดับลงไปเมืจิตนั้นถอนอุปทานความยึดมั่นถึงมั่นในกายตนเมื่อจิตมีความรู้ชัดว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้ จิตจึงเดินเข้าไปในท่ามกลางไม่กระทบทางสองสั่งคือความพอใจและความไม่พอใจเพา ร, ระพยาะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนั้นเมื่อทําจิตให้ปล่อยวางความคิดมั่นหรือมั่นในส่วนที่สามคือร่างกายส่วนละเอียดได้แล้วเนี่ยก็จะมองเห็นว่าสัตว์กรว่าเห็นสัตว์กรว่าได้ยินสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้มีแต่ความแปลกขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดา เพียงสิ่งที่สมมุติแังขึ้นมาเป็นข่วข่าวเท่านั้นจิตก็จะมีความสงบเยือกเย็นเพราะความโลภดับไปความโกรธดับไปความหลงในกายตนดับไปนี่ในเบื้องต้นที่ละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายได้จิตก็จะมีความสงบและมีความสงบเยือกเย็นมากเพราะความโลภไม่เกิดขึ้นความโกรธไม่เกิดขึ้นความหลงในกายตนไม่เกิดขึ้นจิตก็มีความสงบเยืกเย็นถึงแม้จะมีกิเลสส่วละอียดก็ราม ก็ต้องอาศัยการพิจาาจิตส่วนละเอียดด้วยการพิจารณาถึงเวทนาของจิตในสัญญาของจิตในสังสารของจิตในวิญญาณของจิตซึ่งจิตยึดมั่นถือมั่นในอากานต่างๆเหล่านั้นซึ่งเป็นส่วนละเอียดพิจารณาเห็นเป็นไตรลักษณ์ให้เห็นเป็นอนิจจังสุขังมโนตาเพื่อที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นส่วนละเอียดออกไปแต่ในเบื้องต้นนี้ให้ทราบแต่เพียงว่าการประพฤติบัติธรรมนั้น เราจะต้องทรงจิตให้อยู่ในสินเป็นพื้นฐานของจิตเมื่อทรงจิตให้อยู่ในสินห้าหรือสินแปดดีหรือสินสองรอยีิบเจ็ดคดีเราก็ต้องพยายามที่จะมีสติมีปัญญาที่จะดูแลรักษาจิตแจของเราอยู่เสมอเมื่อมีโอกาสมีเวลาแล้วก็ฝึกขับนั่งสมาธิภาวนาหรือเดิ น, ดนโยมทำความเพียรอยู่เสมอเนี่ยพื่อที่ขอให้เกิดสมาธิเกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นสติก็ตั้งมั่น เมื่อสติตั้งมั่นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นในใจก็มีปัญญาเห็นอาการต่างๆเหล่านั้นเมื่อมีปัญญาเห็นอาการต่างๆเหล่านั้นก็มีอุบายที่จะพิจารณาละอารมณ์ซึ่งเป็นกิเลสออกไปจากจิตใจทีเล็กทีน้อยความสงบความเยึกเย็นใจก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นพระกตามหรือฆราวาสก็ตามเราก็สามารถที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ได้ อางเช่นแพนย์อย่างคนพยากรณเห็นธรรมในเบื้องต้นเป็นสิ่งที่ไม่ยากอะไรประชญา น, นั้นก็รักษาสิ่งห้าให้เป็นพื้นฐานให้เป็นปกติมีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นล้วนมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาพยายามพิจารณาอยู่เสมอให้เห็นความไม่เที่ยมเพราะใจของคนเหล่านั้นโดยปกติแล้วย่อมยิดมั่นถือมั่นในร่างกายของเราเนี่ยว่าเป็นตัวตนของเราเราก็ต้องพิจารณาทุกวัน ดยูเสมอว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความตายไปไม่ได้สติปัญญานี้จะต้องพิจารณาสอนจิตทุกวันให้ค่อยๆเห็นความจริงขึ้นไปเรื่อยๆสีน้อยจิตจะได้ค่อยๆปล่อยอุปทานความคิดมั่นถือมั่นในกายตนและมีสติมีปิตปัญญาพิจารณาอารมณ์ภายในจิตใจของเรา อารมณ์มันใดเป็นสิ่งที่ไม่ดีอารมณ์มันใดเป็นความทุกข์ใจไม่เก็บไม่จักขังไว้ตั้งใจว่าจะสละอารมณ์ต่างๆสละกิเลสออกไปจัดใจของเราให้ได้ในเบื้องต้นนั้นเมื่อเรามาประพฤฏิบัติทำในการพัฒนาจิตแจงหล่อนั้นให้ดียิ่งขึ้นไปเราต้องพยายามที่จะมีสติมปัญญาดูแลรักษาจิตแจงเราอยู่เสมอมีความตั้งใจว่าถ้ากิเลสยังมีอยู่ภายในจิตใจของเราเราจะพยายามละ พยายามปล่อยตัวรักกิเลสออกไปจา ก, ก จ, จิตใจงเราให้ได้ไม่เก็บไม่กักถังอารมณ์ที่ไม่ดีไว้ถ้าเราทุกคนมีความตั้งใจจริงเช่นนั้นมีจุดมุ่งหมายว่าเราจะทำลายกิเลสไปในจิตใจงเราเนี่ยเมื่อกิเลสเกิดขึ้นถ้าเราเผลอสติเราก็ตั้งสติขึ้นมาใหม่ตั้งใจที่จะเอาชนะกิเลสไปในใจน้อยให้ได้ถ้าเราตั้งสติตั้งใจขึ้นมาอยู่เสมอๆ เ, เนี่ยเราก็สามารถที่จะค่อยๆชําระกิเลสไปในจิตใจเรานั้น ให้บาบางไปเสียเล็กเีน้อยได้เพราะฉะนั้นเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณหรือบาสุบาสิกานั้นสามารถที่จะประพฤติฏิบัติทำได้เพราะธรรมะธรามสอนของพระพุทธรูปนั้นท่านก็สอนให้มนุษย์หรือว่าคนเราทุกคนเนี่ยประพิปฏิบัติทำไม่ได้สอนให้คนอื่นหรือว่าคนอื่นคือว่าสอนให้มนุษย์เราเนี่ยประพฤติฏิบัติรำเพราะท่านเห็นว่าพ่อภูมิของมนุษย์เนี่ย เป็นพกปูนพี่เลื่อที่ประเสริฐสามารถที่จะพัฒนาจิตใจให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์ได้เพราะฉะนั้นคนเราทุกคนเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะสร้างบารมีสร้างคุณงามความดีเพื่อที่จะทําให้จิตให้บริสุทธิ์ได้อย่างเช่นพวกเราทุกคนซึ่งมาทําบุญมารักษาศีลหรือมาปฏิบัติธรรมมารวมกันทำวัดสวดมนต์หรือนั่งสมาธิภาวนานก็เป็นการที่จะสร้างบารมี ศีลบรารมีสมาธิบรารมีปัญญาบรารมีให้เกิดขึ้นแต่พระพิเศรสมเี น, นั้นมีโอกาสมากกว่าหรือว่าท่านสามารถที่จะทําได้ในทุกๆวันส่วนคารวะ น, นั้นถึงแม้ว่าจะมีโอกาสน้อยแต่เราก็ทํามาวัดเราก็ฝึกขัดรักษาศีลฝึกหัดทําสมาธิจเจริญป arna ถึงแม้อยู่ที่บ้านเราก็ฝึกขัดที่จะรักษาศีลหนาให้เป็นปกติมีโอกาสมีเวลาก็ฝึกใจให้ของเรานั้นให้สมบด้วยการทำสมาธิป a r นา มีสติที่จะดูแลรักษาจิตแจขงเราอยู่เสมอถ้าเราทุกคนมีความมุ่งมุ่งมั่นมีความตั้งใจในการประพฤติปัตยธรรมตั้งใจที่จะเอาชนะกิเลสในจิตแจงเรานั้นเราก็สามารถที่จะพัฒนาจิตแจงเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไปคุณงามความดีใดซึ่งเราสามารถที่จะกทําได้ก็เพิงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้ขวรขวายกระทาคุณงามความดีให้ควรขวายในการรักษาศีล คนขวายในการทำสมาธิจเจริญป orna เพราะสิ่งหนึ่งต่างวันนี้เป็นหนทางดำเนินไปเพื่อความดับความทุกข์เลยเพื่อความสุขที่แท้จริงพระพุธองท่านทรงมีปัญญาเลิศกว่าคนทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุ ก, ทกองนะแต่และองค์ท่านสร้างบารมีมานณภบพบนัทชาติไม่ท้วนกว่าที่ทําให้จิตใจของพระองค์นั้นมีความไปสุดเกิดขึ้นเมื่อท่านทําจิตใจของพระพุธองค์นั้นให้มีความไปสุดเกิดขึ้นมาแล้ว ท่านก็มีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายนำํำธรรมะธรรมสอนมาสอนให้พุทธะสัตว์ทั้งหลายได้ก็พฤติปฏิบตามเพื่อที่จะให้รู้ทำหรือให้มีจิตใจเห็นทำหรือมีจิตใจเป็นธรรมขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราทุกคนนั้นไม่ควรที่จะประมาาในคิดเมื่อเราเกิดขึ้นมาพวกคำยังสอนขององค์ส ม, สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ควรที่จะพยายามขนไถ่ประพฤติบัติกันให้มากไม่ใช่ว่าเราจะไปทําในชาติหน้าหรือชาติต่ อ, ตอไป ชาตนี้เราปล่อยเวลาให้รุ่งเลยไปโดยาประโยชน์เราควรที่จะทําในปัจจุบันนี่แหละถึงแม้ว่ากิเลสจะไม่สิ้นแตจากใจก็ตามจะมีการเรียนไหว้ไปเกิดอิคิภพกิจชาติก็ตามเราก็มีความตั้งใจว่าเราจะปพฤติฏิบัติทำเพื่เป็นพระนิพพานในที่สุดหรือเพื่อความพ้นทุกข์เป็นที่สุดเพื่อความพ้นทุกข์หรือเพื่อความดับความทุกข์ภายในใจเราให้ได้เริ่มต้นทําตั้งแต่วันนี้เลยนะตั้งแต่ขณะ น, นี้สิ่งใดซึ่งเรายังไม่ ควรขวายกระทำหรือยังบกพ้องอยู่แล้วก็พิจารณาเห็นโทษให้เห็นประโยชน์ของการกระทำคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงให้เห็นประโยชน์ของการรักษาศีลนี้เป็นปกติเมื่อมีโอกาสมีเวลามีกําลังใจที่จะรักษาศี 8, แลแปดเราก็มาวัดหรือว่าอยู่ที่บ้านเราก็สามารถที่จะรักษาได้เรอมาวัดอย่งเช่นที่พวกเราทุกคนได้มีโอกาสบางการบางเวลาก็เสียสละเวลามาฝึกหัดอบรมจิตใจของเรา อยู่ในสถานที่สงบสงัดเพื่อที่จะรักษาศีลเพื่อที่จะทำสมาธิอันเป็นเหตุที่ขอให้เกิดสติปัญญาในการที่จะแก้ไขกิเลสในแก้ไขอารมณ์ภายในจิตใจของเราเพื่อที่จะดับความทุกข์ภายในจิตใจงเราเนี่ยการกระทําเช่นนี้เป็นหนทางดําเนินไปเพื่อความดับความทุกข์หรือเพื่อความเสื่ทุกข์เพราะฉะนั้นบารมีทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งสร้างสมอบรมไว้ก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัย ไห้จิตใจเรานั้นมีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์ขึ้นเท่ละรี่น้อยเพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกคนพึงพยายามตั้งใจประพฤติบัติอย่าท้อถอยทั้งพระพิสุขหรือบาศกบาสิกาก็ตามพึงพยายามประพฤติบัติรำไปจนตลอดชีวิตนันแหละถึงแม้ว่าพระเรานี้จะมีโอกาสมีเวลาว่างมากเพราะหน้าพี่การ ง, งานของพระนั้นคือการเดินิกรมนั่งสมาธิจะทำความเพียรเพื่อทํากิเลสให้สิ้นไปจากใจ เดรญาติโยมก็ตามถึงแม้ว่าอยู่ในเพกสาราดก็ามก็ทําหน้าที่การงานงต่างๆในชีวิตประจําวันของเรานั้นให้ดีที่สุดในการประพิฏิบัติธรรมก็มีสติมีปัญญาที่จะดูแลรักษาจิตใจของเรานั้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปสิ่งใดเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็เอพยายามที่จะเอาชนะกิเลสไปในใจของเราพยายามละกิเลสออกไปไม่เก็บไม่กักขังอารมณ์ซึ่งไม่ดีไว้ไม่ต้องไปเสียดายอารมณ์ซึ่งเป็นกิเลสพยายามที่จะตั้งสติ เอาชนะคราวนี้แพ้ก็ทั้สติบายว่าพรุ่งนี้ต้องชนะพรุ่งนี้แพ้มาเลนนี้ต้องชนะตั้งใจที่จะทําลายกิเลสให้สิ้นไปจากใจของเราทุกๆคนเราก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงก็ขอได้ปิดบทเพลงตอนนี้